มมากาละครั้งหนึ่งมีพระราชานามว่าพระเจ้าตรีวิกรมเสนเป็นผู้ปกครองกรุงอุทยินีซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโคทาวรีในทุกๆครั้งที่พระองค์ออกพระราชการนท้องพระโรงก็จะมีโยคีนามว่าสารติศิลมาเข้าเฝ้าและถาวายผลไม้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ พระองค์ได้มอบให้ขุนคลังเก็บรักษาเอาไว้ในท้องพระคลังโดยไม่สนใจอะไรจนเวลาล่วงเลยมาได้สิบปีอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าตรีวิกรมเสนได้ประทานผลไม้ที่โยคียสาติสีให้ไว้แก่ลิงทรงเลี้ยงตัวหนึ่งเมื่อลิงได้กัดผลไม้ปรากฏว่ามีเพชรร่วงออกจากผลไม้ผลดังกล่าวสร้างความแปลกใจให้กับพระเจ้าตรีวิกรมเสนเป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงเรียกขุนคลัง เพื่อให้พาไปดูยังท้องรักขังที่เก็บผ ล, ลไม้ผลไม้กลายเป็นเพชพรพลอยเจ้าโยคีนั่นนำเพชพรพลอยมามอบให้เราเพื่ออะไรกัน วันรุ่งขึ้นพระเจ้าตริวิกรมเสนได้ให้ขุนคลังได้นําทรัพย์สมบัติดังกล่าวไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรเวลาต่อมาเมื่อโยคีนั้นเข้ามาเฝ้าตามปกติพระองค์จึงถามโยคีถึงสาเหตุที่นําเพชรพลอยมาให้เจ้าต้องการสิ่งใดจึงนําเพชรพลอยมาถวายเราทุกวันโอ้ราชาข้านั้นต้องการให้พระองค์ประกอบพิธีมหายันที่สําคัญซึ่งพิธีนี้จะสําเร็จไม่ได้เลย หากขาดผู้กล้ายัางท่านมาช่วยเหลือเรายินดีจะช่วยเหลือท่านทุกอย่างตอบแทนที่ท่านมีบุญคุณต่อราชดอของเราจงบอกมาเถอะข้ายินดีเป็นอย่างยิ่งข้าพระเจ้าจะไปรอพระองค์ที่สุสานนอกเมืองเมื่อถึงข้างแรมวันแรกพระองค์จะต้องมาพบกับข้าพระเจ้าในเวลาค่ำที่บริเวณต้นไสรอย่าทรงลืมเป็นอันขาดนะพยะยคะ่ะ พระเจ้าตรีวิกรมเสน ร, รับคําร้องโยคีโยคีสาสรติศิณจึงลากลับไปด้วยความยินดีครั้นถึงวันแรมพระเจ้าตรีวิกรมเสนจึงเสด็จไปยังสุสานตามนัดบริเวณนั้นมืดด้วยเงาเมฆไม้ไหวเอ็งอยู่ตะคุ่งตะคุ่งมีพูดและเวตาล้อยผ่านลอยยุย แ, แยงสรางศพอย่างหน้าสะอิดสะอิงจากนั้นพระเจ้าตรีวิกรมเสนก็ทรงตรัสว่า ข้ามาแล้วท่านโยคยีจะให้ข้าทำอะไรโอ้ราชาผู้มีเมตตาท่านจงสเสด็จไปทางทิศใต้ไม่ไกลนักท่านจะได้พบกับอโศกต้นหนึ่งบนเก่งอโศกมีศพชายคนหนึ่งแขวนอยู่ท่านจงนำศพนั่นมาให้ข้าพระเจ้าเธอโถเอ้เรื่องง่ายแค่เนี้ย ตกลงข้ายินดีทำตามคำขอของท่านในเวลาไม่นานพระเจ้าตรีวิกรมเสนก็เดินทางมาถึงต้นอสกทรงท่อพระเนรเห็นศพชายคนดังกล่าวห้อยหัวลงมาจากต้นอสกสภาพศพผอมแห้งเส้นผมและเนื้อตัวสีน้ำตาลมีหางเหมือนแพะดวงตาเปิดสีเหลืองพระองค์ได้ปีนขึ้นไปบนต้นอสกเพื่อที่จะนาศพลงมา และได้เวียงศพดังกล่าวลงบนพื้นปรากฏว่าศพนั้นได้วิดร้องออกมาพระเจ้าตริวิกรมเสนคิดว่าชายผู้นั้นยังไม่ตายจึง ร, รีบลงมาดูอาการฮะศพนี้มีเวตาลสิงอยู่ <c oughs> ทำไมศพจึงลอยกลับไปที่เดิมท่านราชาหากท่านพูดขึ้นมาข้าก็จะลอยกลับไปที่เดิมฮะ <c oughs> ไมได้เราจะต้องพยายามเอาศพนี้กลับไปให้ได้แม้พระองค์จะเห็นว่าในศพนั้นมีเวตาลสิงอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวพระองค์ทรงคว้าเอาร่างที่มีเวตาลสิงอยู่ลงมาพาดมาทันใดนั้นร่างของเวตานก็ปรากฏขึ้นและพูดว่าท่านราชาผู้กล้า ข้าจะเล่านิทานให้ท่านฟังระหว่างการเดินทางดีกว่าท่านจะได้ไม่เบือ่อพระเจ้าตรีวิกมเสนไม่ตอบโต้อะไรกับเวตาลเพราะเกรงว่าเวตาลจะลอยกลับไปยังที่เดิมอีกว่าแล้วพระองค์ก็ทรงรักษาความเงียบไปตลอดการเดินทางแม้เวตาลจะเล่านิทานให้พระองค์ฟังนิทานเรื่องที่หนึ่งเอาละเรื่องแรกเลยนะ ณเมืองพารณสีมีพระราชาผู้ครองนคร น, นามว่าพระเจ้าประตาปะมะกุฏทรงมีพระโอรสรูปชมงดงามนามว่าเจ้าชายวัชระมะกุฏเจ้าชายทรงมีพระสหายคนสนิทชื่อว่าพุทธศีระสหายผู้นี้เป็นผู้มีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งเจ้าชายทรงขี่ม้าออกประพาสป่าพร้อมด้วยพระสหายจนล่วงเข้าสู่บริเวณริมทะเลสาบ และได้พบกับสาวงามนางหนึ่งลงเล่นน้ำพร้อมด้วยนางรับใช้อีกสามคนเมื่อนางหันมาสบตากับเจ้าชายทั้งสองต่างก็ต้องสอนรักจากกามเทพตกลุมรักกันในทันทีนางไม่แสดงอาการแต่ก็กลับส่งสัญญาณบางอย่างด้วยการหยิบดอกบัวมาทัดหูไว้ครู่หนึ่งแล้วนำดอกบัวดอกนั้นมาบิดเป็นรูปันตบัตซึ่งเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นฟัน หลังจากนั้นก็ได้ยินดอกบัวอีกดอกนึ่งวางบนศีรษะแล้วนำ ม, มือมากุมที่หัวใจไว้สักพักนางก็ได้ขึ้นจากน้ําแล้วกลับบ้านไปพร้อมกับนางรับใช้ทั้งสคนทิ้งปริศนาไว้ให้เจ้าชายรู้สึกมึนงงเป็นอย่างยิ่งแต่สหายของเจ้าชายนั้นกลับเข้าใจท่าทางที่นางทําทุกอย่างนางกลับไปถึงบ้านเฝ้าแต่คิดว่าเจ้าชายจะเข้าใจสัญญาณที่นางทิ้งไว้หรือไม่ฝ่ายเจ้าชายเองก็เฝ้าคิดถึงแต่นางทุกลมหายใจ วันหนึ่งสหายเข้ามาพบเจ้าชายและพบกับอาการเศร้าสร้อยของเจ้าชายเจ้าชายจึงปรับทุกว่าตนไม่รู้จะทำอย่างไรดีไม่รู้ว่าจะหานางพบได้ที่ไหนไม่รู้ว่านางเป็นใครพุทธศิระจึงบอกกับเจ้าชายว่าเจ้าชายพระองค์ทรงให้เข้าใจสัญญาณที่นางทิ้งไว้หรอกเหรอเจ้าชายได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสงสัยยิ่งนักจึงเร่งให้สหายรีบอธิบายสัญญาณของนาง การที่นางอดดอกบัวทัดขูนั่นแสดงว่านางเนี่ยอาศัยอยู่ในแคว้นกันโนตะบลส่วนที่นางนําดอกบัวมาทำเป็นรูปกันตบัดเพื่อแสดงว่านางเป็นลูกของทันทพแพทย์การที่นางได้นําดอกบัวมาชูเหนือศีรษะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านางน่าชื่อปัทมาวดีส่วนการที่นํามือมากุมที่หัวใจนั้นนางได้รับพระองค์มาไว้ในอ้อมใจแล้วเมื่อเจ้าชายเข้าใจความหมายยังแจ่มแจ้ง ทรงดีใจเป็นอย่างมากจึงรีบรุดเดินทางไปยังแคว้นกันโนตะบนพร้อมสหายเพื่อตามหานางปัทมาวดีทั้งสองได้ส่อหาจนกระทั่งพบกับหญิงชราคนหนึ่งซึ่งต่อมาได้ทราบว่านางเคยเป็นแม่นมของนางปัทมาวดีจึงได้ว่าจ้างให้นางเป็นแม่สื่อให้โดยฝากจดหมายรักไปถึงนางไม่นานแม่นมของนางก็กลับมาแม่นมพูดด้วยสีหน้าเศร้าส้อยว่าพอนางอ่านจดหมายแล้ว นางก็ด่าข้าและตบหน้าข้าโดยฝ่ามือที่ทาคาราบูลแล้วไล่ข้ากลับมาเมื่อเจ้าชายได้ฟังดังนั้นก็เสียใจคิดว่านางปฏิเสธรักอย่างไม่ใยดีแต่พระสหายกลับบอกว่านั่นเป็นเพียงสัญญาณที่นางทิ้งไว้การที่นางตบหน้าด้วยกระบูลทั้งสิบนิ้วเป็นรอยสีขาวนั้นหมายความว่าพระองค์ต้องรออีกสิบวันข้างหน้าเพราะตอนนี้เลิกไม่ดี เจ้าชายจึงอยู่อาศัยและเลี้ยงดูแม่นมนั้นเป็นอย่างดีจนกระทั่งสิบวันแม่เท่าจึงไปหานางปัทมวดีอีกแล้วกลับมาบอกว่าพ่อแม่ไปถึงยังไม่ทันพูดอะไรนางก็กลับเยาะเย้ยว่ามาทำเป็นแม่สื่อดีนักแล้วนางก็เอามือที่ทาชานมมาแปะที่หน้าอกข้าเป็นรอยสามนิ้วพุทธิศิระได้ฟังดังนั้นก็อธิบายให้เจ้าชายฟังว่า นางส่งสัญญาณมาบอกว่านางยังไม่ว่างพบใครในสามวันนี้สามวันต่อมาแม่เท่าก็ไปพบนางปฐมมาวดีอีกครั้งคราวนี้นางได้จัดเลี้ยงสุราต้อนรับยิงดีครั้นเมื่อถึงเวลาที่หญิงชารา จ, จะกลับบ้านปรากฏมากได้มีชางตกมันเชือกหนึ่งวิ่งออกมาอารวาดทำร้ายชาวบ้านทุกคนตาแตายตื่น่หนีเอาตัวรอดแม่บองพนางจึงขอตัวกลับพร้อมบอกว่าจะกลับทางลัด นางปัทธรมวดีจึงได้สั่งให้นางรับใช้ทั้งสามช่วยกันนําหญิงชารานั่งกระเช้าข้ามไปลงในสวนแล้วปีนต้นไม้ไปที่กําแพงไตรต้นไม้อีกฝากหนึ่งของกําแพงลงไปในที่สุดก็สามารถกลับถึงบ้านได้เมื่อนางมาถึงนางก็ได้เล่าให้เจ้าชายและสหายฟังพุที่ศิระจึงได้บอกเจ้าชายว่านางได้ชี้แนะหนทางที่จะทําให้เจ้าชายเข้าไปพบนางแล้วท่านจงรีบไปตามทางนี้เถอะ เจ้าชายได้ฟังเช่นนั้นก็ดีใจยิ่งนักแต่ผู้ที่ศิริะได้กล่าวตื้นเจ้าชายไปว่านางปัทมาวดีเป็นคนฉลาดเกินกว่าที่จะเป็นภรรยาของสามีแต่เจ้าชายรักนางจนตาบอดไม่ฟังคําตัดเตือนของสหายรักแต่อย่างไดตกดึกเจ้าชายและสหายได้เดินไปตามทางที่นางบอกไว้เมื่อมาถึงแนวกําแพงก็พบกับกระเช้าค่อยลงมาจากหน้าต่างคอยท่าอยู่เจ้าชายจึงลงนั่งบนกระเช้า โดยมีสาวใช้ของนางช่วยกันชักกระเช้าเข้าไปในปราสาทจากนั้นเจ้าชายก็ได้พบกับนางอันเป็นที่รักสมใจในคืนนั้นเองทั้งสองได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาย่างมีความสุขจนเวลาผ่านไปหลายวันเจ้าชายเกิดเป็นห่วงพระสหายจึงได้รำพึงกับนางปัมวดีว่าน้องหญิงพี่คิดถึงสหายที่รอพี่อยู่ที่บ้านของหญิงชรา ย, ยิ่งนัก ตอนนี้เวลาผ่านไปหลายวันแล้วพี่คิดว่าควรจะเข้าไปเยี่ยมเขาบ้างเพราะเขาคอยฟังข่าวพี่อยู่นางปัตมว ด, ดีได้ฟังแล้วก็ยิ่งสงสัยไข้ค ร, ครวญด้วยปัญญาอัญชานฉลาดแล้วถามเจ้าชายว่าข้ามีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึง่งอยากจะถามพระองค์ที่ผ่านมาข้าได้ทิ้งปริศนาไว้หลายข้อไม่ทราบว่าพระองค์ทรงแก้ปัญหาเองหรือสหายของพระองค์เป็นผู้คิดให้เพคะเออ ที่ไม่ได้คิดเองเลยสักอย่างสหายของเราเป็นคนคิดให้ทั้งหมดเมื่อนางได้ฟังดังนั้นก็บังเกิดความคิดบางอย่างขึ้นในใจแต่ปกปิดไว้ไม่แสดงออกมาจากนั้นนางจึงกล่าวแก่เจ้าชายว่าพระองค์ทาผิดซะแล้วที่ไม่บอกเรื่องนี้แก่น้องหากเขาเป็นสหายของพระองค์ก็ต้องเป็นพี่ของน้องด้วยเพคะคืนนั้น เจ้าชายจึงได้กลับไปยังบ้านแม่เท่าโดยใช้ทางลับทางเดิมเจ้าชายกลับมาพบสหายพุทธิศีระแล้วเล่าว่าตนได้บอกความจริงแก่นางสหายของเจ้าชายตำหนีว่าเป็นการกระทำที่เสี่ยงมากเจ้าชายทรงพำนักอยู่กับสหายหลายวันจนวันหนึ่งสาวใช้ของนางปฐมวดีได้นำอาหารมามอบให้กับพุทธิศีระแล้วทูลเชิญเจ้าชายให้รีบกลับคาหาัดเมื่อเสร็จธุระ สาวใช้คนนังกล่าวก็ได้รีบเดินทางกลับไปโดยเร็วพุทธิศีระไตร่ตรองเหตุการณ์ด้วยสติปัญญาแล้วกล่าวกับเจ้าชายว่าพระองค์ได้โปรดดูนะข้าจะแสดงอะไรให้ท่านเห็นบางอย่างว่าแล้วพุทธิศีระได้เทฐานอาหารนั้นให้สุนัข ก, กินสุนัขนั้นไม่ทันกินอาหารหมดก็ล้มลงกับพื้นขาดใจตายเจ้าชายมองดูด้วยความงุนงงจึงสอบถามให้สาหายอธิบายเรื่องราว ทิศิระจึงอธิบายว่านางปฐมวดีเนี่ยไม่รู้ว่าข้าเป็นคนมีปัญญาจึงคิดจะกำจัดข้าด้วยการส่งอาหารใส่ยพิษมาให้กินเพราะกลัวว่าข้าจะทําให้นางและพระองค์เหินห่างกันพระองค์จะโกรธนางเลยนะขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงร่ํำไห้แววมาจากเลีมถนนว่าราชบุตรน้อยของพระราชาได้เสียชีวิตลงแล้วพุทิศิระจึงคิดแผนออกทันที ด้วยมอบเหล็กแหลมรูปตรีศูนย์ให้แก่เจ้าชายและสั่งให้เจ้าชายกลับไปหานางพยายามปลนเปลยนางด้วยสุราจนเมาไมา้จากนั้นให้ใช้เหล็กรูปตรีศูนย์นี้หน้าที่สะโพกนางแล้วขโมยของมีค่าของนางมาให้หมดแล้วนางจะต้องหนีตามพระองค์มาอย่างแน่นอนในคืนนั้นเองเจ้าชายวัชระมะกุฏก็ได้ทำตามแผนการที่พระสหายกล่าวไว้จนสำเร็จแล้วรีบหนีออกมา ครั้นถึงรุ่งเช้าพุทธิศิระได้นําเจ้าชายไปยังสุสานนอกเมืองจากนั้นทั้งสองได้ปลอมตัวโดยสหายของเจ้าชายได้ปลอมตัวเป็นโยคีส่วนเจ้าชายวัชระมะกุฏปลอมตัวเป็นสาวกของโยคีพุทธิศิระรีบสั่งให้พระองค์นําสร้อยทองที่หยิบมานําไปขายยังตลาดโดยให้โกงราคาให้สูงจนกว่าจะถูกจับแล้วให้พระองค์สารภาพว่าอาจารย์ของข้าสั่งให้มาขายเจ้าชายได้ทําตามคําสั่งของพับสหาย ในเวลาไม่นานก็ถูกจับกุมเพราะตำรวจนั้นได้สืบหาสร้อยที่หายไปของนางปัทมาวดีและพบว่ากำลังถูกขายในราคาแพงอยู่กับเจ้าชายปลอมตัวมาพระองค์ถูกนำตัวไปขึ้นศาลและทรงชี้แจงว่าเป็นของอาจารย์ให้มาขายคณะตุลาการจึงเดินทางไปสอบถามสหายของเจ้าชายที่ปลอมตัวเป็นโยคีได้ความว่าข้ากับลูกศิษย์กำลังสแสวงบุญเรื่อยมาจนเมื่อคืนเนี่ยข้าได้หยุดพักที่สุสานแห่งนี้ ข้าได้เห็นแม่มดจำนวนมากมารวมตัวกันกำลังแห่ศพชายคนหนึ่งมาเพื่อบูชาพระศิวะมีแม่มดตนหนึ่งแอบขโมยสร้อยประคำของข้าไปข้าจึงวิ่งตามไปจิกหัวและใช้ตรีศูนย์ลนไฟนาบเข้าไปที่สะโพกของแม่มดตนนั้นทัในใดมือก็พลาดประชากสร้อยของแม่มดโดยบังเอิญเมื่อเห็นว่าเป็นของมีค่าจึงได้ให้ลูกศิษย์นไปขาย คณะตุลาการได้ฟังคำให้การของโยคียปลอมแล้วจึงรีบไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบเมื่อพระราชาได้ฟังความดังกล่าวแล้วก็ได้รับสั่งให้พนักงานไปสืบว่านางปัทมาวดีมีรอยตรีศูนย์ที่สะโพกหรือไม่ซึ่งปรากฏว่ามีอยู่จริงพระราชาจึงมั่นใจว่านางปัทมาวดีเป็นแม่มดผู้สังหารราชบุตรของพระองค์จึงได้เสด็จไปยังสุสานเพื่อให้โยคยีปลอมช่วยหาวิธีกำจัดนางปัทมาวดีโยคยีปลอม จึงแนะนำให้ในระเทศนางออกไปจากเมืองต่อมานางปัมวดีก็ถูกในระเทศออกจากเมืองนางซัสเซพเนจออยู่ในป่าจนมาหมดแรงอยู่ใต้ต้นไม้เป็นเวลาเดียวกันที่เจ้าชายและพระสหายขี่ม้าออกตามหาพระนางและพบนางนั่งอยู่จึงอุ้มนางขึ้นมาและพากลับพระนครและใช้ชีวิตร่รวมกันอย่างมีความสุขฝ่ายเศรษฐีทัตแพทย์และภรรยาเมื่อต้องเสียลูกสาวที่รักไป ทั้งสองก็ได้แต่ตรอมใจตายไปในที่สุดโอราชาจากเรื่องนี้ข้ามีความสงสัยว่ากรณีที่บิดาและมารดาของนางปัทมวดีเสียชีวิตไปเป็นความผิดของใครนางปัทมวดีพระสหายหรือเจ้าชายดูก่อนมหาราชา้าท่านรู้แล้วไม่ตอบมาตามจริงหรือแกล้งตอบผิดแล้วก็เสียนของพระองค์จะต้องแยกออกเป็นสิ่งเสี่ยง พระราชาได้ฟังคำถามก็นิ่งฟังและวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาเมื่อจะไม่ตอบก็เกรงกลัวต่อคำสาปพระองค์จึงตรัสว่าเรื่องนี้ไม่มีใครผิดเลยสักคนเดียวแต่เป็นพระราชานั่นแหละเป็นคนผิดไอ อ, อ, อะไรกันท่านจะว่าพระราชาผิดได้อย่างไรความจริงทั้งสามไม่ได้ผิดเลยสักนิดพระสหายของเจ้านั่นทำไปเพราะต้องการช่วยเหลือเจ้านาย และเป็นหน้าที่ของสหายส่วนานางปัทธรมวดีและเจ้าชายก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะทั้งสองทําไปด้วยผิดของความรักส่วนพระราชานั้นน่ะผิดเพราะเป็นถึงพระกษัตริย์แต่ขาดความรู้เรื่องนิติศาสตร์การเป็นพระราชานั้นนะ่ะจะต้องรอบรู้การงานทั้งปวงไม่ควรหลงเชื่ออุบายนง่ายไม่ทันสืบข้อเท็จจริงให้กระจ่าง ก, ก่อนก็ดวนตัดสินความไปแบบผิดผิด ท่านหลงกลข้าซะแล้วท่านจําได้หรือเปล่าภาคท่านพูดข้าก็จะกลับไปที่ต้นอโศกดังเดิมเวตาลหรวล้อเสียงแหลมแล้วหวักลับไปยังต้นอโศกอีกครั้งด้วยทลานภาพเหล่าพูดร้อหลงกลเลเหลี่ยมของเวตาลการเป็นผู้นำนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความละเอียดรอบคอบและดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรม เพราะผู้นำคือบุคคลที่เปรียบได้กับรากฐานของทุกสิ่งอยา่าง